ที a เห็นอยู่อยากรไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรใครนกันสิ่งที่เธอ้ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทต้องทนดไรเหตุผลไโทษฟ้าโทษดาวนควจริงที่ป มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องการคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคล้อยสมผลไร้ไร้อาจลึลับเปมั่นคงคือการส่งผลของกันคือทำอะไร I'm h e o u t o n i g h